บุกทูห้าสิบสี่ควินเดกควารซื้อของอเชตูมิ <et> ที่ฉันต้องการซื้อของขวัญมิชัตุสอเชติดนาตสันแต่เอาที่ไม่แพงมาก าอาจจะเป็นกระเป๋าถืออบมมคคุณอยากได้สีอะไ ร, โโรสสีดำสีน้ำตาลหรือสีขาวนนบูเอาล่งกันใบใหญ่หรือใบเล็ก An, ขอดิฉันดูใบนี้หน่อยได้ไหมคะ ium, ใบนี้ทำจากหนังใช่ไหมคะชหรือว่าทำจากพลาสติกเอาทำจากหนังแน่นอนคะ่ะ ใบนี้คุณภาพดีมากค่ะ tio e s t a ใ a อพาร์ตเมนต์บอนาและกระเป๋าถือใบนี้ก็คุ้มค่าราคาจริงๆนะคะดิฉันชอบค่ะดิฉันเอาค่ะ มี s ดิฉันจะเปลี่ยนได้ไหมคะถ้าต้องกา ร, รได้แน่นอนค่ะคเะเราจะห่อของขวัญให้คุณคคที่จ่ายเงินอยู่ทางนั้นค่ะ ที่แท้ทร e พย์ s ินของต o วเ